ตกแต่งให้อีกเสริสวยให้อีกเรี่ว่าปูสอนหลานตาสอนหลานไม่ใช่อาจารย์ของจาได้เป็นรุ่นปู่รุ่นตาของพวกเดินของพวกเสดจรนีกเกิดมานานไเห็นโลกเห็น แผ่นดินเห็นสิ่งแวดลอมมานานก็รู้จักกันเยมากสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกอยากจะมาบอกหลานหลอกตือนไอ้ชีวิตที่มันดีมันงามกับชีวิตของเราที่เราที่เราจะต้องเดินทางยาวนานของตอนเดินมาไกลแล้ว ถึงจะหมายปลาทางก็ว่าได้แต่ลอดฟังการใช้ชีวิตแต่เป็นเด็กเป็นนงเป็นพ่อคนแม่คนเป็นรุงเป็นผ้าของคนของมนุษย์ของเพื่อนของหมู่ญาติมาก็ได้ปฏิวัติต่อ สิ่งต่างๆแผ่นดินแม่น้ำปางไอ้อากาศสาลาสิ่งอริวัติตหูคน่ตสรรพสิ่งทั้งหลายพ่อแม่พี่น้องมาได้เห็นสิ่งที่ถูกได้เห็นสิ่งที่ผิดอ่ดที่ผิดไปแล้วก็เอาคืนไม่ได้อีที่ถูกก็มีมากกับการใช้ชีวิต มีผู้บอกผู้สอนคือพ่อแม่ให้ก <c> ล <oughs> ัวจานที่โรงเรียนได้บอกได้สอนให้มีความรู้ผูคนเดแม่ของเราคือพ่อแม่ที่บอกสอนให้รู้จักบุญรู้จักบาปให้กลัวาบาปให้ทำบุญทำบุญ กับพี่กับน้องมีอาหารการจินจก็แบ่งกันถ้าไม่แบ่งกันไม่เป็นบาปมีน้องหลายคนมีใครลูกเดียวเอาเส้นได้มาตัดแบ่งแังกันถ้าไม่แบ่งเป็นบาปเป็นเปรตเป็นสัตว์เฉันเป็นสัต์นรกมีปาก็แบ่งกันกินอะไรก็ได <c oughs> รู้จักล็อผิดชอบตื่นขึ้นมาก็รับผิดชอบกับสิ่งของภายในบ้านมีวัวมีควายมีเป็ดมีไกลดูแลวัวควายถอนเช้าขึ้นมาเปิดท่อเป็ดเจ็บกัดเป็ดได้ดูเห็ดก็ไปจิงเห็ด ตันนี้ไปแล้วตกดึกทั้งหลายเก็บเห็ดไว้จีนวิ่งไปป่าเข้าแม่ไก่วิ่งเก็บรีบในเต็มต์ะกา้าดูแลว้ว่าอิ่มในข้อขวบเว่งกระ บ, บ๋างแม่ก็รีบยังให้จีนก็วิ่งไปโรงเรียน เลิกต้องเรียนมาแล้ววิ่งลงทุ่งนาก็เปรียร้ยงควายเปรี้ยงควายเอาควายเข้าบ้านเอาควายสุนยาพ่อแม่ก็ทำนาทำารอย่างนี้คือเอราปิดชอบวันหน่งวันหนึ่งเราแต่ละก็ดูเลยปืนหุงข้าวต้มข้าวผัดตานถ่วรล่างกาวเปิดบ้าน อะไต่างๆก็ใช้ชีวิต ม, มามองดูทุกวันนี้เดินทางมาถูกต้องแต่ถ้ามาเปรียบเทียบกับเด็กทุกวันนี้โอยเป็นห่วงทำอะไรก็ไม่เป็นพ่อแม่ทุกวันนี้เรื่องลูกดีที่สุดต้องบริการลูกให้ดีที่สุดเลย คิดไปก่อนแล้วว่แม่ทุกวันนี้คิดที่จะบริการลูกใมได้ตั้งแต่เงินหนึ่งบาทเชื่อผ้าอภรรยาอยู่ของเกินลูกพักว น, นี้ได้รับความสะดวกจากพ่อจากแม่มากที่สุดแล้วก็อาจจะเป็นจกักรพรรดิตั้งแต่เด็กๆอะไรก็ได้บริการทั้งหมดเลย เรื่องเรียนมาแล้วมีวอสช้ีเที่ยวเล่นมันไม่เหมือนเด็กสมัยก่อนเด็กสมัยก่อนเลื่องเรียนมาแล้วรีบไปหนาไปไล่ไ ป, ไปนาทุกหนาจับหัวจับกวดไปเรื่อยให้เหมือ น, นทุกวันนี้จริงสวยก่อนจึงมาถึงทุกวันนี้มันก็ผิดแค่้ยนไปแล้วอะไรก็ผิดแพ่้ยนไปแล้วแต่ก่อน ธ ร, รมชาติเลี้ยงเราแผ็นเดินดับกาดเลี้ยงดูต่ออาหารการกินตามทุ่งนาตลาดสดไม่ใช่ตลาดสดเขาเล่แมงวันอยู่ตลาดนัดไม่เหมือนอย่างในตลาดสดอยู่ในป่าจริงๆเก็บมาอยู่ในนาก็มีปลาอยู่ในปา่าก็มีผักมีเห็ดมีอะไรต่างๆมากมายไปเรี่ยงควาย อาหารการกินเยอะๆรูปไฟขนไหม้หัวใจหัวขอาแป้งหัวข้าวกอเป็นโปรตีนอย่างดีเดี๋ยวนี้เป็นของก่อเมตาพิษจ้าบ้างในหนองในหนนปวบวดปวดปดื่มกินได้ทุกวันนี้มันดื่มกินมาได้แต่ว่าต้องต้ไม่อย่างนี้เราสะดวกแต่ว่าอันตรายเยอะ ายมีมากเหนดินก็เหอันตลายนา้ำก็เีอนตลายอากาศก็เหอนตลายเมื่อมวานานมานี้แผ่นดินแล้วเบิดแล้วเป็นไฟผ้าใต้ดิน ม, มันร้อนโลกล้อนเกิดจากขีมือของคนที่อยู่ในโลกโลกว่าคนนุกว่า แผนดินล้วเบิดสองที่แล้วก็รถไฟตกหลานเพราะตอนเหล็กลางรถไวมันพ่อมันยืดลางมันโคตรตกหลานการใช้ยีวิวันนี้ต้องจัดเกียนแม่นยอมพอสมกวรมีเจอความสะดวกใช้รถใช้ลลาน สะดวกเกิดทุกวันที่เหตุบ่อยอาหารการกินก็เกิดโรคไยไข้เจ็บเป็นดินเป็นพิษเดินไปไร่ไปนาก็มีแต่พิษภายในน้ำก็มีพิษพายต้องระมัดระวังอาหารการกินทุก <c oughs> วันนี้พ่อแม่ก็ไม่ค่อยจะทำอาหารให้ลูกกินเอาเงินใส่มือให้ลูก การทุเรยชื่อเคียนอาหารที่คนอื่นทำให้อาจจะไม่ปลอดภัยเหมือนกับพ่อแม่ทำให้ยังมีแต่คิดไาต้องให้จัดเกียนดีๆทุกวันนี้เราต้องอย่าเอาความมั่ง่ายสิ่งที่กินลงไปมันบางทีมันเป็นสิ่งเสพติด <c oughs> <c oughs> อย่ารสชาติเนเกณฑที่ว่าใชชีวิตหลอกมองทั้งความปลอดภยัยความสะอาดเตดน้ำใช้เตือนน้ากินอาหารหองที่ความสะอาดเรียบร้อยปลอดภยัยให้ดีๆมีแต่เสียงเกลียวปเยอ ะ, ยอะทุกวันนี้ปนมากับพิษไค่ต่างๆคนที่โกรดาให้เราหลมมีจำนวนมาก ผู้ที่บอกให้เรารู้มีน้อยๆขาเสื้อท่องฟ้าดาวเทียงพื้ดเตาของเขาโพสนาให้เราเชื่อให้เราหลงตองต่อทางหงษแต่ก่อนนี้เข้ามากินข้าวแล้วลุกไปนั่งลอมพ่อแม่ให้พ่อแม่เล่านิทานให้ฟังบางทีก็ไปฝังนิทานจาก พ่อใหญ่ที่โน่นที่นี่เล่านิทานเก่งชวนกันไปแม่ก็อเอาของไปฝากแล้วก็ชวนกันไปฟังนิทานจากพ่อใหญ่ฟังนิทานจากแม่ใหญ่ฟังที่เราก็ฟังนิทานมีแต่เรื่องดีๆเราอยากเป็นเหมือนนิทานที่เป็นคนดีเราลองเกียดคนที่นิทานที่เป็นคนชั่วทำให้เราได้มีความสำนึก แม้เรียนหนังสือสมัยก่อนยังจําได้ทุกวั น, นี้นเรื่องการเมตตากรุณาสอนให้ลูกให้เมตต า, าศาสนาอย่ยาหนังสือเดียนสมัยก่อนแบบเรียนเล้าใหม่ชั้นโพปรปะตูหนึ่งก่อนเขียนถัวผู้ถัวหนึ่งก่ อ, อยู่บนจริงม้าม่วงในสนวนตกน้อยตัวนี้เลล่ อ, ลองส่งเสียงล่องเธอร้จักใจ รองพกระโดดพร้กตามจิงมาจิ้งโน่นบ้านจิ้งโน่นบ้างแต่พีกเคนดึงเอาหนังสติ๊กมายิงเขาตายแ ก, ก็เล่าร่องนอกกระจงเฉดตัวนนกำลังหาเหยื่อไว้ลูกเลี้ยงลูกเอยตยไปเดียเดี น, นกกระจงตัวเมียที่อะไรเอาวันถึงนกกระจงเฉดตัวบูลำบากไีใคราเลี้ยงลูกช่วยเล่าไป เรากเกิดเนต่อคนหนาขึ้นมาทอสัตว์หะเรามีแบบเด็นหนังสือดเพลงเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยเรื่องศึกษาให้เรื่องศึกษาเมื่อเติบใหญ่เราจะมีวิมีวิชาเป็นเครืงง่องหาเรื่องชีพสำบตนให้ประโยชน์หล่อสถานพวกกรอนเรียนจงฝากเพียงไป้เธอจะเกิดฝน เดี๋บากกับกงก็ยอมทนเกิดเป็นคนขวางมันก็ยันเลยเพอเมือ่อนักครูสอนเขารู้ครูแต่ทุกวันนี้มันคนละมันคนลำเแบบียบนักเรียนก็ไม่เคารพครูทั้งหลายนักเรียนก็ไม่เคารพพ่อแม่เฮ้ยมีที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ไม่เห็นแต่เมื่ก่อนน้องจอนเป็นหนุ่มปกลมยาเสพติดทั่วประเทศ เด็กที่จะมาให้อบรมพ่อเด็กเล่อยู่กับพ่อแม่ก็ไม่เชื่อของพ่อแม่อยู่กับครูก็ไม่ช่เชื่อฟังครูแล้วมาอยู่กับพระจะเชื่อฟังพระก็มาอบรมถ้าไปเชื่อฟังพระเขาไปอยู่ในคุกเพราะว่าแต่นี่รับรวจเท่า ราชการที่เรารับผิดชอพ่อแม่ก็มางฝากพราะว่าลูกติดยาเสพติดขอเงินไปซื้ อ, อยาไม่มีเงินขมเงินไปซื้อหมอใส่ไม่มีเงินผูกคอตายไปถูกคอตายบนเราพ่อแม่เห็นก็ไปแก้ลงมาทันยังไม่ตายพ่อแม่ก็พูดกันมีปวยสัวเดียวไปหลายป่วยไปซื้อหมอใส่เห็นรูมันก็ติดยาเสพติด พ่อเล่าให้ฟังสมต่ตรู้สยใจปวดเศร้าใจว่าลูกทุวันนี้มันเป็นไม่ใช่ลูกของกดมันเป็น ล, กลก อ, อกลอกกอดจหมดปวดหัวจุดเดียวก็ให้ ข, า, หข า, หย า, หายชื่อโอ้ใช่เงินเท่าไรเล็บมือพื้นหมดถามมาเอาจนหมดเหลือจเท่า น, น้ำจะเลือดตอ่อลอกจะเลือดอต่อทุกวันนี้เป็นอย่างนี้หน้าแต่ว่าพวกเรานี้อาจจะไม่ อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้สะดวกเพราะอย่าประมาณชีวิตของเราเนี่ยมันมันมันจะต้องสู้แล้วนะนะต้องสู้แล้วต้องศึกษาต้องเป็นคนดีคนดีเท่านั้นที่จะจม อ, อยู่ในโลกอย่างมุ ก, กข์ชั่วก็อยู่ไม่ได้วันนี้เรานั่งอยู่ที่นี่ด้วยการมีเพื่อนนี้อย่น้อยต้องเก็บชีพแสชีวิตแต่วันข้างหน้าเราจะอยู่หนย เราจะอยู่ที่ไหนวันขนา้างหน้ามันจะอยู่ที่ไหนต้องตัดตั้งต้นจากวันนี้วันนี้เป็นวันที่ขีดเส้นให้ชีวิตของเราเนาะเส้นมันต้องเขียนลงวันนี้จะทํำยังไงต้องเขียนวันถ้าไ ม, ม่ทีนี้ไม่เริ่มต้นแล้วก็ไม่มีการเริ่มต้นตัวเองแต่วันขนา้างหน้าจะอยู่ที่ไหนถ้าเราต้องต้นตั้งแต่วันนี้วินาทีนี้เป็นต้นไปให้ไปสุดจุดหมายปลายทางมันทําได้ เ่รนิ you, ่งม <praying Wow. S 3> ื <Gym. S 3> ่อทำดีกายไม่ทำ福德ดีวาจามาพูดใจมม่คิดดีดิษฐิชีวิตของเราวาดแตงออกไปแตงกายแตงวาจาแตงใจให้มันดีเรียกว่าวาดชนะวาดเขียนเอาเขียนได้กายของเราเนี่ยวาจาของเราใจของเราให้มันงดนามเป็นงาจะมีวาดชนม ต้องตอ เ, เอาแนนปกเดียหนังสือสมัยสสิปีก่อนไปด้วยกันเจ็บลูกเอาไปฝากเ็ลูกไปอยู่งเทพไปอยู่นนบุรปเรียนไปเรียนยสาสามัญสมัยใหม่ๆ <c oughs> แล้วก็เจ้าว่าก็ให้นั่งอยู่เรียกเจ้าว่าที่สาขามาเรียกก็้ มาเดียกคนเน้นเน้นมามองหน้าเน้นนั่งอย่บาคนไปย่างผมจะรูปนี่บางคนไปย่างกับรูปเดียวกันให้ผมนั่งก่อนให้ผมจับก่อนให้ผมเลือกก่อนเลยนี้เนรูปหนึ่งไม่มีใครอยากได้เลยนั่งเะ็ดคนขอทานนั่งหน้าน้างหูหน้างอดหน้าหูหน้าบึงไม่มีความช่างงามไม่ไม่ไม่น่าจะสอนด้ ในอย่างนี้สอนยาไม่อยากทำก็พุกไปนั่งอยู่เนนอน่นนั่งนีาไปวันนี้เจ้าวาดก็เลยบอกเอาภาษาเอาภาษามันจะต้องดีเน่นะนการเอาไปคนที่ ส, สอก็สองกลับมาสอง ก, กลับมาให้ก็เลยดีเลยค้นหมดกันหูห้านิ้วศีรษะนิ้วกแายไม่ใจเหมือนกัน ทำไมจะต้มาตกแต่งตัวให้มีค่าขึ้นมาค่าของเราตั้งแต่บ้นเอวหน้าอกใบหน้าวางให้ดีใจก็วางให้ดีต้องไปกดที่ดีให้สมกตุมีบาศาสนาปฏิบัติีอย่างมารยาของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำมารยาไม่ใช่มาโผล่แต่เป็นอาพร์ที่ดีสําหรับชีวิตของเราต้องศึกษาเราเรียนให้ดีๆปฏิบัติตนให้ดี ก็คือสิ่งที่เราได้อุปกาอรอุรงเอาแต่ความดีให้ตกแต่งให้ให้เย่างหูฝังให้ดีอะไรไม่ดีเราก็เห็นเช่นความหลงไม่ดีเราก็น่าจะเปลี่ยนความทุกข์ไม่ดีถ้ามีทุกข์เปลี่ยนให้หตนสอนตนยิ่งพอเราได้สาเถียกระสูดได้ฟังผูง้ที่เจ้าแสดงธรรให้ฟังทางวัดเช้ทาทำวัดเยน็นมีสูตรต่างๆ เที่ยวมาสอนเป็นเอินคุณงามความดีที่เกิดอยู่กับเราเนี่ยมีอะไรบ้างมีลูกมีนามมีกายมีใจรูปมันเป็นไงนามเป็นงางรูปมาเที่ยงไว้นจันดาวมาเที่ยงสัญญาไมาเที่ยงสังขารมาเที่ยงวิญญาณว้เที่ยงรูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตน ยิ่งใดไม่เที่ยงสินั้นประทุกขสนั้นเป็นทุกมากคว่านีว่าตัวว่าตนเราได้เห็นอยู่แต่ทุกวันทุกวันท่องทุกข์พวมาเที่ยงมาทุกข์ยิงใดเป็นทุกข์งนั้นไใช่ตัวตนเห็นทุกข์ไม่ว่าตัวตนจะขู่โกรธเอาความโกรธมาเป็นตัวเป็นตนเอาความขี้เกียจมาเป็นตัวเป็นตนห้อยใจเอาแต่ใจที่มันสั่งอะไรไม่ได้สอนาจ เวลามันโกรธก็โกรธไปใช่ใจเนี่ให้โกรธทดตรองไม่ได้นะใจของเราแดงใช้ให้โกรธไม่ได้กายก็ทดลองไม่ได้เอาเคืองไม่ได้ถ้าไปทำชั่วไปชั่วไปแล้วติดไปแล้วทำชั่วมากก็ติดเป็นนิสัยไปเลยจิตใจก็เป็นนิสัยไปเลยถ้าใช่ผิดนะถ้าจึงมาใช่กายใช่ใจของเรามีสติสมชัดเจ้าประคันต์อย่เนี้ให้มีสติมาใช่กายใช่ใจ ไอ้สติเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของจิตใจอย่าให้กายมันเถื่อนอย่าให้ใจมันเถือนเดี๋ยวนี้ใจเราอยู่ที่ไหนเราเป็นยังไงเรานั่งอยู่ท่าไหนใจเป็นยังไงอ่อนแอหรือง่วงนอนหรือง่วงคืออะไรความง่วงเป็นขวงกันเป็นไดรัชานข อ, ของกิจประเภทหนึงไม่ยอมตื่นให้ความง่วงขวงกันเอาไว้ เรียกว่าไปทางขวงให้ความคิดผงฉาญขวงกันไว้ให้ความดังเลยขวงกันไว้ให้ความปุงแต่งระไรต่างขวงกันทําดีไม่ได้ปูผาขวงกันสิตเระหวังให้ดีต้องสู้อเชื่อมแ่ต้อง อ, อ, องอาจแจ้ข้าต้องจงรักษาชีวิตของเราต้อง ต้องแสดงในความ อ, อดด่อนเชืมแข็งในความ อ, อดอนเราจึงต้องควรคับเอาอะไรที่มันเป็นความดีเอามาเอามาทําเอามาคิดเอามาพูดทดรองไม่ได้พวกกายใจของเราทดรองไม่ทำชั่วไม่ได้จะชัวช่วชั่วไปเลยแต่วันทีจะหมดชั่วมากไเป็นนิสัยถ้าเป็นนิสัยเราเราจะถ้าเป็นจะเรีนนิสัยดื้อได้เลยไม่อ่อ พอจะ อ, อยากจะเป็นบัวต้ดินเลสุดจแล้วปอดพืชก็ไม่รอบรื่นทั้งพบทั้งชา้าเลยด่าค้าจริญโทรสารจริญโมหะเจริญอะไรก็ความหลงออกหน้าความโกรธอกหน้าความบงแต่ง อ, อกหน้าจิตใจที่บริสุทธิ์แทบจะไม่มีก็ความไม่ดีก็เกิดขึ้นในกาสยใจแล้วก็ลำบากคุณพองเลือนก็ได้รักษาตัวเองมาได้ แล้วแต่อาลมจะพาไปผู้ไร่ผู้ ด, ดีมีใจก็เพิ่งไห่ได้มีใจก็เพิ่งไหวได้แล้วแต่ใจะจะพาชิดไปทางไหนความคิดบางทีไม่ได้ตั้งใจเป็นิดกันมาเองเราไม่มีสติจับจ้องมองจู่ความคิดมันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ความมีสติดูกายเห็นกายเป็นประจอมเวลาชิดขึ้นมาก็กลับม า, ามีส ต, ดดยย ต, บบสติสอนกิต กายก็สอนให้มันเคลื่อนไหวอย่างมีความรู้จึกตัวจัดเก็บน่านยอมใช้กายอย่างชัดเจนน่านยอมอะไรดีอะไรไม่ดีอย่าจ้องทางจิตกายก็สอนมันอรอเราที่มันคิดไปนั่งอยู่นี่มันคิดไปไหนกลับมาอยู่นี่ความคิดที่มันคิดไปโน้นเดินไปโน้น ปล่อยมันไปแบบธรรมาดาให้เป็นระเบียบให้มอยู่กับรายกับสติสอบนบาลกลับมาให้มีสติรู้สึกตัวความคิดทีหนึ่รู้ที่หนึ่งวันหลงทีหนึ่รู้ทีหนึงเอาความหลงเอาความหลงเป็นทำให้เกิดความรู้วันหลงเพื่อรู้วันโกรธเพื่อจะรู้วันทุกข์เพื่อจะรู้อย่าให้หลงเป็นหลง ถ้าหลงเป็นหลงมันจะมีตาในชีวิตถ้าโกรธเป็นโกรมันจะมีตาในชีวิตเราให้หลงเป็นรูซาให้โกรธเป็นรูซาให้ทุกข์เป็นรูซาให้ฉุกเป็นร huh> ูซาให้ความเกียดข้านเป็นความรู้ให้ความพุ่านหรือต in ่างมาเป็นความรู้ตัวความรู้จากตัวเจนคีวัตเป็นตัวที่คีวัตให้ตั้งอยู่ในได้บ้าจั้ฐานได้บ้าจัฐาน ชีวิตของเรามันมีมากสถานคือมีสติกตัวตั้งเป็น ต, ตัวตั้งไว้อะไรเกิดกับกายกับใจให้มีมรู้สึกตัวโยนมีความรู้สึกตัวเป็นเจ้าของกายตป็เจ้าของใจเมื่อกายใจเป็นเจ้าของมันก็ปลอดภัยถ้ากายใจไม่เป็นเจ้าขอ ง, ม, ออของมันก็เถื่อน หมือนใจโสดไป น, นี่ใจโสดไป น, นี่เขา้วไปไหนก็ได้ใจเอาให้คิดอะไรกคิดได้ทุกสิ่งทุกอย่างวาใช่ความคิดที่แม่ถูกต้องเฮดไปก็เป็ น, รนจจเระเด็ดนเสียไปเลยกระดื้าดไปเลยก็สอนไม่ได้ก็เองาไม่ไอสอนตัวเองสอนสอนเลยรู้จักตัวไม่มีใครสอนได้เราได้ว ไ, ได้ความรู้จักตัวเพราะความหลง มีหลงจริงไม่รู้มีทุกข์มันจึงไม่รู้ก็ไม่มีทุกข์พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสรู้เห็นทุกข์เห็นโกรธเห็นโลกเห็นหลงเฮ้ยเปลี่ยนมาเ ป, นป็นตัน ว, ว, ล, กกวลูกมันต่างกันอยู่ความความลูกกับกองหลงัต่างกันอยู่ความทุกข์กับความรู้มันต่างกันอยู่มันต่างกันนี้เราได้สองปัจจุบเลือกได้ชีวิตนี่เลือกได้ที่ว่าเป็นสัตว์ประเสริฐเลือกได้แม่มันไม่ดีก็ให้เป็น มาลอยเป็นดีพระิดท่านตนตัวมสอนตนตน ต, น, ตนอยู่เสมอในชีวิตของเราเพืเดินทางต่อลอดฝ่าถึงจุดหมายปลาทางจุดหมายปลาทางของชีวิตเราคืออะไรถึงจุดหมายปลายทางคือละไรการทุกข์จนบรทุกไม่สนผู้ทุกข์พ้นจากทุกข์วันหลงจนวันหลงไม่จนผู้หลงพ้นจากความหลง ความโกรธเป็นวันโกรธเป็นสัปเหรอโกรพ้นจากความโกรให้ทําลักษณะนี้หรือว่าถึงไปสู่ถึงมาตรฐานจะให้หลงสนหลงจะทุกสนทุกโกรธนั้นโกรธพอใจก็พอใจไม่พอใจกไม่พอจขาดข้ามขาดข้ามขาดข้ามขาดอันฉิ่งเหล่านี้มันเป็นทางผ่านถ้าไม่ผ่านทีนี่มันก็ไม่ถึงตรงนั้นอันผ่านควาหลงจะมีความรู้อันผ่านความทุกข์มันจึงมีความไม่ทุกข์ ความโกจะเป็นความไม่โครจะเอาทิ้งไว้ปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้สิงเหล่านี้มันเป็นอันตรายใจของเราเนี่ถ้าไม่สอนถ้าสอนไม่ถ้าไม่สอนมันก็ดุร้ายเป็นพิษเป็นภัยต่อชีวิตเราถ้าสอนมันก็เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราและเป็นประโยชน์ต่อทุกสรรพสิ่งถ้าเราเป็นคนดีพ่อแม่ก็เป็นความโชคดี ถ้าเราเป็นคนไม่ดีพ่อแม่ของเรามทุกข์แต่กระทบกระเที่ยงไปเลยเอาจึงมารับผิดชอบเทานั้นได้ยินได้ฟังถึงครูบาอาจารย์ท่านสอนละเอียนดูเอามาประดับนะเอามาประดับการใช้ชีวิตของเราให้ดีอย่าอย่าปล่อยทิ้งไปออะไรมาดีเอามาไว้มาบันทึกไป เป็นเลนชีวิตใหม่ๆขึ้นมาจะได้เห็นต่อยความดีเรื่อเครืงเน่ยเราเคยหลงเราเคยรู้อย่างนี้เคยโกรธเคยรู้อยู่นี้นมันจะใชาดานมันจะทำให้สัาดาจนสาดจนฉุนขึ้นมาหลงเท่าไรก็รู้เท่านั้นผันโกรธเท่เลยก็รู้เท่านั้นนนนันทุกข์เท่ก็รู้จักตัวนะ้หวานความทุกข์กับกวามรู้สึกตัวมันต่างกันอยู่ให้สองปัจจูบให้สองปัจจุบจะรู้จักเลือกกัน เลือกเอาสิ่งที่ดีเลือกถึงมีความดีมีความดีก็จะใช่ความดีใช้ความดีมากแต่ใช้ความดีที่เกิดจากควากับใจกายก็ปวดไปใจก็ปวดไปเป็นผู้ไม่มีไัยไม่มีภัยในการในชีวิตมีแต่มีแต่บุนกุศลให้ความสะดวกให้ความให้ความประดวกเพราะความไม่สะดวกให้ปัญญาเพราะปัญหา ปัญหาทำมาเกิดปัญญาสองดูงทำมาเกิดสองลูกเอาบทเรียนจากสิ่งไม่ดีให้มันดีสิ่งไหนไม่ดีมาเป็นบทเรียนเราช้าว่สอนตนฝึกตนสอนตนก็นนตั้งใจคุณดีดนะอายุเจปีเป็นพระหานได้ส ก, กิจจะสาเรียนี้อายุเจปีเป็นพระหารเลยเวลาหุน่นก็เป็นพระหานม้เกิด ก็เป็นแนวโน้มเราตั้งใจดีๆน่าจะเป็นตัวอย่างเช่นเราหนเนี่ยเอากอบบริษัทขึ้นมากอบบริษัยขึ้นมาหนึ่งกอ บ, บ, ย, กอบยกขึ้นชูทงหัวข้าวเจ้าจ ะ, จะตั้งเจศึกษาให้ชอามากข้ากับเริษัทในกำมืยของข้าวเจ้าดีอะไรที่ต้องศึกษาทั้งหมดละ ให้ช่ใจสิ่งใดที่มานเกิดขึ้นกับภานอกภายนเกิดขึ้นกัการกระทำเราจะต้องศึกษาให้รู้ให้บ้าตัามใจศึกษาจะได้ชื่อว่าเอตตะคะในการศึกษาเราตั้มใจที่จุดได้ยินได้ฟองไลยมาศึกษาเห็นเลย่าศึกษาเห็นความชั่วเกิดกับคนอื่นก็มาศึกษาทำได้ยังไงเห็นความดีเกิดกับคนอื่นมาศึกษา เห็นอันตรายที่การเกิดเจากอะไรอาวุศึกษามาเป็นวุฒเป็นสูตรหมดเลยออมาเป็นหลักสูตรเพื่อการศึกษาตนเองอย่างที่หลวงตาได้พูดปอนนั่งว่าอาหารก็เป็นสูตรตั้งแต่ความหิวก็เป็นสูตรตั้งแต่ความหิ่มก็เป็นสูตรตันงแต่ความพอใจเป็นสูตรที่ต้องศึกษาความไม่พอใจก็เป็นสูตรตั้งนต่มากมายแปดเปอร์นต์พันยาเป็นสูตรที่เกิดขึ้นกาจากตัวเราเนี้ เราหุนตั้งจะอย่างนี้จนเห็นความเท็จความจริงเกิดกับนกว่าสายแคนว่ารู้จักชส่สิ่งที่มันถูกสิ่งที่มันผิดาม่ทำพลาดก็เลยเป็นความดีเป็นสูตรที่เป็นพระหมัมมดาเราอันนี้ก็ถือว่าเปนตูฯฯ้ปัจจุบันไม่ต่างกันความหลงเป็นเดียวกันความรู้เป็นเดียวกันสามารถทําได้สิ่งที่เราหลงคนหนึ่งทาให้หลกสิ่งที่เราทุกคนหนึ่งทมให้ทุกสิ่งที่เราโกรธคนหนึ่งทำให้โก ก็จะพัฒนาให้ยอดเ ย, ยี่ยมที่สุดเลยให้ทันสมัยจะทันสมัยนะไม่มีสมัยนะเดี๋ยวนี้นะถ้ายังโกรธยังหลงยังทกข์ถือวหน้าสมัยเราคนน่าสมัยต่อบปนี่ถ้ามวายังโกรธยังโลกยังหลงอยู่ถือว่าน่าสมัยคนที่เขาพัฒนาเขาไม่หลงไม่โกรธไม่โลภแล้วถ้าวัดทำสมัย อยู่ที่ไหนก็ได้นะโลกนะถ้าทำลายตอนนี้เรื่องว่าอุศลเนี่ทําให้หมดจะงเห ล, ลือวตุศพจะเกิดขึ้นก็เป็นีจง อ, อาบเ้าาอยู่ในโลกต่งงางอยู่ที่ไหนก็มีสิทธิ์เห้ชาวหมองส ง, ง่าได้ทุกทิศทุกตางเพราะว่ามันมีความชัว่วเกิดขึ้นนี่ทำสมัยเนาะอะไรก็เหมือนกันหมดคนในโลกนี้การใใจิตเนกันหมด มีความทุกข์ความสุขความโลภความโกรธความรู้กันเราจะต้องอยู่นี้ต้องให้เหนือเจลี่เพินมวารักเกิดนมน้อยๆจะได้มีชีวิตมีความสะดวกปวดไปไปยาวนานให้ทาตั้งแตาษาในการปวดเน้นพระปริอนี้แต่ก่อนต้องต่อคยปวดมาี่สสปีนู่นจำเนนที่เด่นที่ได้เกิดได้มีีเด่น ยังเด่นเท่าทุกวันนี้สำเร็จดีเด่นกำลังจะเป็นอายการเป็นอาจารย์ที่หีชื่อเสียงเป็นคนดีเด่น <c oughs> เป็นคุณนายเสร็แล้วมาแต่งงานที่มาบวดเอาเพื่อนมาบวดที่ว่าว่านายตำรวจ ผู้การตำรวจชอบชอบไ ข, ขอต่อรองขอแต่งานถ้าแต่งานก็ได้แต่ว่าให้ไปปวดกับหลวงพ่อที่วัดบ้านถูวงกองอะไรพาแฟนมาปวดที่วัดนี่คือศ ร, รีรัชเินีทีเด่นมันงามบาเจียมันย่างามใช่ที อ, อย่างถูกต้องเดี๋ด้ว่าไม่นี้เป็นไหน สมัยนะก่อน น, น, Spain, นี้สมเด็จจริงจริศิลปินจริงจรเก็บคะแนนนะสมัยก่อนเก็บคะแนนจริงกอก็อย่างนี้ไม่ได้นะเอาหุ้งห่มผ้าตื่นมีระเบียบช่วยเหือเพื่อนดอกติดชอเก็บขยะไม่ทิ้งขยะสังเกตดูเป็นแมวมอแมวมองวใครจะมีน้ำใขนาดไหนก็จำคะนานไปจำคะนไปประเมินบด โคงการเร็จ้มาคกันะแล้วก็เลือกกันในเด่นถ่ายรูปสีวาดสีที่สีดูถ่ายภาพสีสวยงามแล้วก็ยอนสำเร็จเด่นที่นั่งที่สุดที่ดีสุดในประเแล้วก็เด่นมาทุกวันเ้ยไม่เสียหายสิทธิ์นะเพราะอะไเรามันเจ็บขนาดนัป็นชีวิตที่ดีแล้วก็นํมาใช้กาลังได้ศึกษาได้สำเร็จพ่ ชีวิตของเขาแล้ว่อก็ถึงกปู่สอนหลานตาสอนหลานถึง น, นลูหลานเลนหลงตาก็พราดุสิตได้บอกว่าว่ามีผู้บอกแล้วเวลามันหลบไม่หลงก็ได้หลงตาเพราะนี้หลงปู่บอกฉะนี้เวลามันโกรให้กรก็ได้หลงปู่บอกฉะ น, นี้นะเอาไปทำรูปไม่ทาวันนี้อาจจะไปทำวันขหน้าก็ได้ เวลาใดที่มันปลอยตัรู้สึกตัวจะไม่กังว่หงวหน้ามือเราหมยเี่จะประจนต่อความหลงจะปจนต่อความทุกข์จจนต่อความโกรธต้อมีสติเป็นใหญ่ของที่ของเราสมควรจอเวลา